กระท้อนฟังค้าและขณะนี้นะคะเราก็ถึงช่วงเวลาของรายการถามโลกตอบธรรมกันแล้วประมาร์ชาคาวโรกาลังพร้อมที่จะสนทนากับท่านุฟังค่ะนมัมสการก่ะทังค่ะอาจารย์พรทราบว่าช่วงนี้ท่านกาลังต้องทำงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ของผู้ที่เข้าปฏิบัติในคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดใช่ไมคะอ๋ออ่าใช่พอดีว่ามี เจ้าที่ของพนักงานบริษัทการินไทยได้รวมกลุ่มกันมาอจาพระอาจารย์คริชิตเพื่อว่าจะขอจัดคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดนพรัคพงศ์เป็นเวลาสิบวันก็เริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่สิบห้าพฤศจิกาตอนเชวานี้ก็อยู่ระหว่างกลางก็กาลังปฏิบัติเป็มที่ตามหามลักพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตัสไว้ว่าเออ่หลังฉันแล้วให้เดินจงกรมสรับนั่งสมาธิไปจนเ อ, อสิ้นยามได้แห่งราภีก็คือ แต่เดินทังวันเลยอ๋อคะ่ะมันก็น่าชื่นใจเหมือนกันนะคะเนี่ยเราก็ได้คนที่พยายามเข้าใกล้ธรรมเพิ่มขึ้นที่เดียวที่นี่ณเวลานี้ก็แปดสิบคนเข้าไปแล้วใช่ใช่ค <c oughs> ่ะเพราะเชื่อว่าหลังจากปฏิบัติเนี่ยไม่มากก็น้อยนะคะก็จะทําให้เข้าอกเข้าใจแล้วก็ได้ไปประพฤติปฏิบัติตามธรรมซึ่งผลก็ออกมาเป็นทางร่มเย็นทีนี้ท่านบอกว่าวันนี้จะได้นําพระสูตรผู้เห็นแต่จะทะเลาะวิวาท เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็อยากจานมัสการท่านเลยค่ะใช่ก็มีพระสูตรหนึ่งที่อน่าสนใจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้แตะกับทิกสูตรทั้งหลายที่กําลังทะเลาะกันที่เรียกทิ้แทงกันด้วยปากปากเนี่ยเป็นอาวุธกําลังทิ่มแทงกันอยู่จนทิกสุตรรูปอย่างเนี้ยทูลขอร้องให้พระพากย์เจ้าเนี่ยแปรักนับไประนับเหตุที่โคสิตารานใกล้เมืองโคสัมพี แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพอทีพวกเธอทั้งหลายอย่าหมายมั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโต้เถียงกันเลยอย่าวิวาทกันเลยท่านตรัสอย่างนี้สามครั้ง <Okay. S 1> เมื่อแต่แล้วเนี่ยก็มีภิกษุทูลขึ้นว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมะสามีขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข่า ข อ, ข, ข, ออขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิดขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิดพระเจ้าค่าข <c oughs> ้าแต่พระพูทมีพระภาคเจ้าขอจงทรงประกอบในสุขวิหารธรรมในถิ่นธรรมอยู่เถิดพระเจ้าค่า <c oughs> พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจักทําให้เห็นดําเห็นแดงกัน <c oughs> ด้วยการหมายมั่นกันด้วยการทะเลาะ ก, กันโตเถียงกันด้วยการวิวาทกันอันนี้เองดังนี้นี่ พิสูบอกคุยเจ้าอย่ามายุ่งให้ขวนขวายน้อยอยู่ท่านให้ให้ให้ประกอบสุกในวิให้ประกอบอยู่ในสุ ข, ขวิหารธรรมต่อไปเขาจาะคะท่านใ ห, ให้เห็นดำ <c oughs> เห็นแดงแต่แต่คำที่บอกว่าให้หยุดเถอะ อย่ามายุ่งและต่อไปว่าอะไรนั่นนะคะอ่อที่ใช้ว่าทรงขวนขวายน้อยเถิดคืออย่าอย่าเคลื่อนอะไรอย่ามายุ่งแปลว่าอย่ามายุ่งกับพวกผมเลยใช่อย่ามายุ่งเลยปฏิบัติธรรมต่อไปใช่ไหมคะใช่แต่พอแต่ละพอพูดพิสูพูดอย่างงี้ยแล้วเนี่ยอพระพุทธเจ้าก็ในเวลาเช้าก็ทรงครองจีบอลครองจีวรถือบาทเสร็จเข้าไปสู่เมืองโกสัมพีเพื่อบินธบาติพอบินธบาติเสร็จแล้วเนี่ยก็ เก็บบริการขึ้นมาถือไว้แล้วก็ประทับยืนแล้วก็กลับเป็นคาถานี้ว่าคนไพ่ไพ่ด้วยกันส่งเสียงเอตโรแต่หามีคนไหนสำคัญตัวว่าเป็นคนผ่านไม่มเมื่อหมู่แตกกันก็หาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไหมพวกบัณบิตลืมตัวสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนา จะพูดอย่างไรก็พูดพลานไปอย่างนั้นหาได้นำพาถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไม่ทันเริ่มดูละเรีเยนนี้อีกยาว <laughs> พวกใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าพวกนั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้รักทรัพย์ของเราเวรของพวกนั้นย่อมระ ง, งับไม่ลงพวกใด ไม่ผูกใจเจ็บว่าพวกนั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวนของพวกนั้นย่อมระ ง, งับได้ในยุคไหนก็ตามเวนทั้งหลายไม่เคยระ ง, งับได้ด้วยการผูกเวนเลยแต่ระ ง, งับได้ด้วยไม่มีการผูกเวนทำนี้เป็นของเก่า ที่ใช้ได้ตลอดการนี่คท่านจัดถึงการ เ, าเวงย่อมระงับด้วยการไม่จองเวน <Okay. S 1> และท่านก็ตรัสต่อไปว่าคนพวกอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราจะแหลกลานก็เพราะเหตุนี้พวกใดสํานึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้นความมุ่งร้ายกันย่อมระงับได้เพราะความรู้สึกนั้น ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังมีได้แม้แก่พวกคนกักขละเหล่านั้นที่ปล้นเมืองหักแท่งขายชาวบ้านฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนมา้าโคและขนเอาซับไปแล้วทำไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่าถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราดที่มีความเป็นอยู่ดี เป็นเพื่อนร่วมทางแล้วไซส์ก็จงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแหวนซึ่งพิชิตได้เสียแล้วแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้น <c oughs> การเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคนพาล <c oughs> พึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อย หลุดช้ามาตังคะเป็นสัตว์มักต้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นพอเสร็จแล้วท่านก็เสร็จออกจากกลุ่มโกสัมพีออกไปค่ะประศุนนี้ดูว่าท่านดูค่อนข้านที่จะอะไระเหมือนกันค่ะคงจริงอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยทบทวนคำพระพุทธองค์และมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะต้องการฟังซ้ำค่ะ อ ต, ตอนดุมากๆค่ะ <laughs> ตั้งตอนแรกๆนี่ก็ค่อนข้างแรงไลคือที่ท่านตรัสไว้ว่าคนไพร่ๆด้วยกันส่งเสียงเอตโรแต่หามีคนไหนสำคัญตัวว่าเป็นคนผ่านไม่ <c oughs> เมื่อหมู่แตกกันก็หาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีกว่านั้นได้ไหมพวกบัณฑิตเต็มตัวสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนา พูดอย่างไรก็พูดพลาดไปอย่างนั้นหาได้นําพา ถ, ถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไหม <Okay. S 2> นี่ท่านสรุปด้วยการว่าจะทะเลาะกันเอกโทเนก็ต้องควรจะหาเหตุแห่งการทะเลาะได้ถึงจะแก้ปัญหาได้ค่ะ <Okay. S 2> คืออาจารยมาบอกว่าท่านไม่ได้ดุแบบดุแบบสักแต่ว่าดุแต่ว่าท่านดุแล้วเนี่ยมีการพูดถึงการแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรด้วยแม้แต่ตอนสุดท้ายที่บอกว่าถ้า คนเพื่อร่วมทางไม่ดีแล้วก็เดินทางไปคนเดียวซะดีกว่าเพราะว่าการเดินทางไปคนเดียวเนี่ยไม่สามารถเป็นเพื่อนได้กับคนผ่านแล้วก็อันที่ท่านพูดมานี่ก็ในจุดนี้ที่ท่านสกิดเขาสึกที่ท่านบอกว่าความกลมเกลียวเป็นด้ำหนึ่งใจเดียวกันยังมีได้แม้แก่พวกคนกักขระเหล่านั้นที่ปล้นเมืองหักแข้งขาชาวบ้านฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนมาโค และขนเอาซักไปแล้วทําไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่าในหมู่ <c oughs> คจรในหมูมความสามัคคีใช่ <c oughs> คือโจรหรือว่าพวกที่เออ่มีความเลวร้ายอยู่เนี่ยก็ยังมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้แต่คนที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นผู้เจริญเนี่ยทําไมจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้ท่านไกด์ก็สกิดให้คิดี้ท่านสกิดครั้งพุทธการนี่มากระเทือนถึงปัจจุบันเลยนะคะ ใช่และที่ท่านบอกว่าอาการที่ในยุคไหนก็ตามเวนทั้งหลายไม่เคยระงรับได้ด้วยการผูกเวนเลยมีแต่ระงรับได้ด้วยการด้วยไม่มีการผูกเวนทำนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาลแสดงว่าใช้ได้ตลอดกาลจริงจริค่ะถ้าพระพุทธองค์ตรัสนีนต้องแบบนี้คือต้องหยุดเรื่องของเวนไม่ได้จองเวนกันไปเรื่อยๆเออใช่ แต่ถ้าหากว่าเป็นภาสิทิที่เราเคยได้ยินหน่อยาษิทจีนเนี่ยยังมีความเหมือนว่าความแค้นต้องชําระบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชําระ <c oughs> ไม่รู้เป็นของนักประพันธ์หรือว่าเป็นของใครนะคะอ <c oughs> ทีนี้คนไทยเนี่ยบางทีก็คล้ายๆเป็นคําที่แหมจําง่ายสะใจแล้วก็มีความสอดคล้องกันก็เลยเผลอท่องอยู่ในส่วนลึกของหัวใจต้องท่องใหม่ค่ะเออใช่ก็คือเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่พูเวนทำนี้เป็นของเก่า ได้ตลอดกาลค่ะอันนี้ถือว่าเป็นพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่คนก็กล่าวถึงกันบ่อยเหมือนกันใช่ใช่แล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะที่ตรัสต่อมาแล้วท่านได้อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตอีกเหมือนกันเรื่องเที่ยวไปคนเดียวคะ่ะท่านคะ่ะอ่ใช่ที่เอ่อท่านพูดไว้เป็นก็วิธีการแก้ปัญหาที่ท่านบอกว่าถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราด ที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางเราใช้ก็จงทําตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแควร์ซึ่งพิชิตได้เสียไปก็จงทําตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแควร์ซึ่งพิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคนุนพาน เึินเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทําบาปเป็นคนมักน้อยดุดช้างมาตาังคะเป็นสัตว์มัดน้อยเที่ยวไปในปา่าค่ะก็ไม่มีสหายในหมูคค่คนพาเนี่ยรู้สึกว่าจะเคยเห็นเขาคัดเป็นพุทธศาสน า, าสุภาษิตย่อๆเหมือนกันใช่ถ<อ>้ า, าจานค่ะทีนี้ความหมายของถ้าไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราดเป็นเพื่อนร่วมทางเนี่ยหมายความว่าถ้าสหายเนี่ยไม่สามารถช่วยทําให้เวรระงับได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจจะมองว่าคือ ถ้าถ้าเราหาเพื่อนที่ดีไม่ได้เนี่ยก็าหาเพื่อนที่เป็นปลาที่มีความเป็นอยู่ดีเพื่อนเพื่อนร่วมทางแล้วเนี่ยก็อจงทำตัวให้เหมือนช้างมาตังค์คาคือไปคนเดียวเสียกเ็เดินทางไปคนเดียวดีกว่าเป็นคนมักน้อยดูจ้างมาตังคะค่ ะ, คะอันนี้เป็นการ ที่ทะเลาะวิวาสกันที่ท่านบอกว่าใช้ปากเป็นอาวุธใช่ไหมคะใช่ใช้ปากเป็นอาวุธถูกต้องปากเนี่ยมันก็นําพาไปสู่ถ้าประคับประคองไม่ดีอาจจะใช้ไม้ใช้มีดใช้ปืนเป็นอาวุธต่อก็ได้นะท่านใช่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่น่าสนใจแล้วถูกยุคถูกสมัยเป็นลักษณะที่เป็นธรรมะที่เป็นอากาลิ โ, โกจริงๆค่ะคือทุกพระสูตรของพระพุทธองค์ใช่ไหมคะที่เป็นอาการลิโกใช่ ก็มีมีอีกพระสูตรหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเอ อ, เ อ, อน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกพระสูตรหนึ่งค่ะเออเป็นเรื่องของผู้ที่ควรเข้าใกล้ที่นี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคนที่ทะเลาะวิวาทกันแล้วเรามาดูว่าผู้ที่ควรเข้าใกล้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดไว้อย่างไรบ้างค่ะเออท่านตรัสว่าพิกสุตทั้งหลายก็บุคคลเช่นไรเล่า ที่คนทุกๆ ค, คนควรคบหาสมาคมควรเข้าใกล้ <Okay. S 1> ภิกษุตั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสมาธิและปัญญาพอเสมอกันบุคคลดังกล่าวนี้เป็นผู้ที่น่าคบหาสมาคมน่าเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเป็นผู้มีศีลสมาธิและปัญญาเสมอกันแล้วการพูดกันถึงเรื่องศีลสมาธิและปัญญาของเรานั้นจกนักมีได้ด้วย การพูดกันของเรานั้นจะไปกันได้ด้วยและการพูดกันของเรานั้นจะเป็นความสบายอกสบายใจด้วย <Okay. S 1> เราเห็นนั้นบุคคลเช่นนี้จึงเป็นผู้ที่ทุกคนควรครบหาสมาคมควรเข้าใกล้อีกข้อหนึ่งที่ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเช่นไรเล่าที่ต้องสกการะเคารพเสียก่อนแล้วจึงคบหาสมาคมเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้มีศีลสมาธิและปัญญายิ่งกว่าเรา <Okay. S 1> บุคคลดังกล่าวนี้เป็นผู้ที่ต้องสักการะเคารพเสกอนแล้วจึงกบหาสมาคมเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเราจะได้ทำกองศีลกองสมาธิและกองปัญญาของเราที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์บ้างเราจะได้ประคับประคองกองศีลกองสมาธิและกองปัญญาที่บริบูรณ์แล้ว ไว้ได้ด้วยปัญญาในธรนรมนั้นบ้างเพราะฉะนั้นบุคคลเชน่นนี้จึงเป็นผู้ที่ต้องสักการะเคารพเสียก่อนแล้วจึงคบหาสมาคมเข้าใกล้แหล่นั่นถือท่านบอกว่าคนที่ควรคบหาสมาคมเนี่ยต้องมีศีลสมาธิปัญญาเสมอการบุคนคลที่ต้องสักการะเคารพเสียก่อนเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิและปัญญายิ่งกว่าเราคือสรุปและให้คบคนดี ใ่ว่าจะพูดันรู้เรื่องแล้วก็ถ้าคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญายิ่งกลเนี่ยก็จะเาทำให้เราสามารถทำศีลสมาธิและปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ขึ้นได้มาทั้งสองพระสูตรเลยใช่ไหมคะเนี่ยเป็นสองพระสูตรที่สอดคล้องกับยุคสมัยสามารถนาเอาไปใช้ปฏิบัติได้และนี่ก็คือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ใช่ไหมคะใช่พอดีวันนี้เวลาหมดค่ะ คงจะต้องติดตามฟังท่านในวันพรุ่งนี้สำหรับพระมาร์คชาคาวาโรวัดนาประพงศ์ลำลูกกาคลองสิทธิ์นะคะวันนี้นมส ก, การขอบพระคุณท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะค่ะค่ะ